ในความเป็นจริงท่านผู้ฟังลองนึกดูวในความเป็นจริงตาผิดได้ไหมคุณตาผิดได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าอ้างอายุก็เรียกว่าอ้างเหตุผลที่ไม่ใช่เหตุผลในวิชาที่ว่ารด้วยการใช้เหตุผลนั้นมีลักษณะของการอ้างเหตุผลที่ไม่ใช่เหตุผลเราฟังไม่ได้ใ่าะ คุณตาก็อ้างอายุอยู่เรื่อยแล้วก็เลยไม่ต้องพูดเหตุผลกันว่าเหตุผลนั้นเป็นอย่างไรสิ่งที่ถูกนั่นคืออะไรเพราะฉนั้นก็ผมก็ขอเสนอว่าอย่าพูดกันเลยว่าใครสินเท่าไหร่ไอ้นั่นมันไม่ใช่เหตุผลเหตุผลมันอยู่ที่ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิด มาหาเหตุผลกันตรงนั้นแล้วก็จะตกลงกันได้หรือว่าพระมีพรรษามากกับพระพรรษาน้อยเที่ยงกันพระประโยคสูงกับพระประโยคต่าเทียงกันกับพระประโยคสูงก็เอาประโยกมาคู่อยู่เรื่อยว่าฉันประโยคเก้าคุณแค่ประโยคสามมาเทียงอะไรกันนั่นไม่ใช่เหตุผล นั่นด้วยกว่าเอาประโยคมาคู่ถ้าจะพูดกันโดยเหตุผลก็ต้องพูดกันโดยเหตุผลว่าอะไรอะไรคือสิ่งที่ถูกแล้วก็ถูกเพราะอะไรอะไรคือสิ่งที่ผิดแล้วก็ผิดเพราะอะไรมันต้องสปอร์ตกันหน่อยต้องใจสปอร์ตกันหน่อยไม่ใช่ อ, อจะเอาอำนาจบาดใจหรือเอาอะไรมาคู่กันอยู่เรื่อย ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาผลปัญญาอบรมปัญญาให้มีปัญญาจนสามารถจะวินิจฉัยสุตตะได้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าไม่ต้องเชื่อถือเพราะเอตเทียนว่าอันนี้เป็นกรรมของสมณะสมณะก็อาจจะผิดได้เหมือนกัน บุคคลทั่วไปย่อมจะมีสมณะหรือนักปวดหรือศาสดาอันเป็นที่เคารพนับถือของตนของตนท่านพูดอย่างใดก็เชื่อไปอย่างนั้นเพราตนไม่เห็นเองแต่ผู้ที่ฝึกกิดดีแล้วเข้าถึงธรรมหรือความจริงด้วยตนเองแล้วพยมจะไม่ต้องตกลงใจเพาะเชื่อผู้อื่น ที่เป็นเพียงศรัทธาที่เป็นเพียงศรัทธาในตัวบุคคลแม้ในกาลามสูตรในกาลลามสูตรหรือเกสสัพุตเสูตรนะครับพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้เป็นข้อสุดท้ายว่าอย่ารับเชื่อเพราะเห็นว่าสมณะนี้เป็นครูของเรามาสมนโนโนขาุุมาสมนโนโนขายุ อย่ารับเชื่ อ, อเพราะเห็นว่าผู้นี้เป็นครูของเราคือว่าถ้าครูพูดอะไรแล้วก็เชื่อหมดทุกอย่างาโดยไม่ใจตรองหาเหตุผลอย่างนั้นก็ยังไม่สมควรต้องหาเหตุผลก่อนแล้วก็ค่อยรับเชื่อในภายหลังครูก็อาจจะพูดผิดได้ปลาดได้ ทิตายังรู้ปราดนักปราดยังรู้พรำอัน <c oughs> นี้ถ้าคนที่เขายกย่องว่าเป็นนักปราดแล้วเต็มไปด้วยทิฐิมานะไม่ยอมผิดแล้วก็ไม่ยอมมาผิดไม่ยอมขอโทษไม่ยอมแก้สิ่งที่ผิดมันก็ยิ่งไปกันใหญ่คราวนี้ก็ใครเตือนก็ไม่ได้ใครทักทวงก็ไม่ได้ ในคำพี่หังคุตรนิกายปัญจการนิบาตพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโทษของความเลื่อมใสเฉพาะบุคคลไว้ห้าอย่างาประการที่หนึ่งเขาเลื่อมใสภิกษุใดโดยเฉพาะ mm hmm. เมื่อภิกษุนั่นต้องอบัตเป็นเหตุให้ทรงยกวัดยกวัดนี้ใช้ศัพท์ว่าอุเคปนิยกรรม ปณเียกรรมคือไม่คบ้าปาสมาคมด้วยเขาไม่เข้าป่าสมาคมด้วยเนีเ่ยใช้ภาษาทางวินัยว่ายกวัดวตระนะฮะวัตระไม่ไม่ใช่วัดกอวัดคอคือไม่คบ้าปาสมาคมด้วยส่วนมากก็จะเป็นปนัญหาทางวินัยคือประพฤติล่วงวินัย เปนภิกษุด้วยกันดังเกียรติไม่ขบพาสมาคมด้วยลงอุเคปณิยกรรมยกวัดไม่ขบพาสมาคมด้วยทีนี้ผู้ที่เลื่อมใสภิกษุใดโดยเฉพาะเขาก็คิดว่าภิกษุอันเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเราถูกทรงยกวัดเสียแล้วเขาจึงไม่เลื่อมใสในภิกษุในภิกษุพวกนั้น ที่ยกวัดนะครับไม่คบหาสมาคมกับภิกษุเหล่านั้นไม่ฟังธรรมไม่ยอมฟังธรรมจากภิกษุเราอื่น เ, เมื่อไม่ฟังธรรมก็เสื่อมจากธรรมอันนี้ก็เคยมีมาในอดีตนะครับมีมาว่าสิทธิ์ของอาจารย์บางคนสิทธิ์ของ อ, อ, อาจารย์บางคนประกาศว่า ถ้าเพื่อพระพระที่เป็นอาจารย์ของเขาไม่ดีแล้วในประเทศไทยก็หาพระที่ดีไม่ได้เลยประกาศออกมาอย่างนั้นถ้าพระที่เป็นอาจารย์ของเขาไม่ดีแล้วในประเทศไทยจะหาพระดีที่ไหนอย่างนี้ก็มีในประการที่สองเขาเริ่มใสภิกษุใด เมื่อภิกษุนั้นต้องอปบัดอันเป็นเนธให้ถูกบังครับให้นั่งท้ายแถวเขา จ, จะไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็ไม่ฟังธรรมไม่ฟังธรรมก็เสื่อมจากธรรมประการที่สามเขาเลื่อมใสภิกษุได้เมื่อภิกษุนั้นไปอยู่ที่อึดเสียเขาไม่เลื่อมใสภิกษุเหล่านั้นแล้วก็ไม่ฟังธรรม เมื่อไม่ฟังธรรมก็เสื่อมจากธรรมแต่การที่สี่เมื่อภิกษุนั้นลาสิกขาเขาย่อมเสื่อมจากธรรมลาสิกขาแล้วเขาก็ไม่คบภิกษุเราอื่นแล้วก็ไม่ฟังธรรมก็เสื่อมจากธรรมแต่การที่ห้าเมื่อภิกษุนั้นตายเขาก็ไม่เลื่อมใสในภิกษุเราอื่นไม่ฟังธรรมภิกษุเราอื่นเขาก็ย่อมจะเสื่อมจากธรรม อันนี้ ก, ก็จากพระไตรปิฎกเก้มยี่สิบสองนาสองร้อยเกาสิบเก้านะครับออความเลื่อมใสเฉพาะบุคคลจึงค่อนข้างจะเสี่ยงและก็มีโทษอยู่เป็นอันมากดังที่พระพุทธเจ้าจัดมานี้ ทางที่ปลอดภัยอย่างยิ่งสำหรับชาวพุทธก็คือความเลื่อมใสในธรรมปฏิบัติตามธรรมแล้วก็เมื่อปฏิบัติตามธรรมแล้วก็จะได้รับประโยชน์จากธรรมอยู่เสมอเพราะว่าธรรมนี้เป็นอากาลิกโกให้ผลไม่จำกัดกา ได้พูดอยู่เสมอว่าการเข้าหาศาสนานั้นต้องเข้าหาพระธรรมต้องเข้าหาพระธรรมก่อนแล้วมั่นคงในพระธรรมแล้วก็จะไม่เดือดร้อนในเรื่องที่พระสงค์จะเป็นอย่างไรแต่พระสงค์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจะแปรปรวนไปอย่างไร จะมีเรื่องยุ่งเหยิง อ, อย่างไรในสังฆมณฑ น, นอะไรก็จะไม่เสื่อมศรัทธาจากศาสนาเพราะว่าตัวศาสนาจริงๆนั่นคือพระธรรมบางคนเลื่อมใสในพระสงบังรูปเมื่อผิดฝังในพระสงบ์รูปนั้นเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งก็ประกาศทอดทิ้งพระพุทธเจ้าพระธรรมไปด้วยเลยจะไม่เอาแล้ว เรเลิกนับถือศาสนาไปเลยทำอย่างนี้เสียประโยชน์ของตนอย่างยิ่งนะครับเหมือนกับนักเรียนนักเรียนที่ผิดหวังในครูบางคนแล้วก็เลิกเรียนหนังสือไปเลยอันที่จริงครูในวิชานั้นไม่ได้มีคนเดียวในโลกครูเรื่อที่ดีก็มีทมเทไป ขอให้คิดให้ดีขอให้ใช้ปัญญาคิดให้ดีนะครับขอให้พุทธบริษัททางผู้ที่เป็นศิษย์และผู้ที่เป็นอาจารย์พึงระนักถึงพระพุทธพจน์ต่างๆที่ทรงเตือนไว้โดยส่งวางอนุเคราะห์ต่อพุทธบริษัทเพื่อไม่ตกลุมคลาง อันเข้ามาในรูปของความปรารถนาดีในรูปของความเคารพเรื่มใส่ศัตรูที่เปิดเผยอย่างเห็นได้ง่ายนะครับป้องกันได้ง่ายมีคนอื่นๆช่วยป้องกันแต่ศัตรูภายใน่าสึกภายในผู้ค่าภายใน คือกิเลในตัวเรานี่แหละใครจะป้องกันได้นอกจากตัวของเราเองและคนภายในคือตัวเรานั่นแหละจะเป็นคนที่ป้องกันได้ช่วยป้องกันได้ทีนี้ผมจะพูดต่อไปในเรื่องศรัทธากับปัญญาศรัทธาในลักษณะอ่อนฝน ศรัทธาที่มาในลักษณะของการอ่อนปนกับปัญญาที่มีลักษณะในการที่จะพิจารณาเหตุผลในการที่จะทำอะไรลงไปแต่ในลักษณะนี้ก็ใช้ปัญญาดีกว่าศรัทธาในลักษณะอ่อนปนว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เป็นไปตามที่อ่อนปน แต่มันเป็นไปตามการกระทำคำสวดอ้อนวอนคำสวดที่เป็นคาถาซึ่งนิยมเชื่อถือกันว่าครั้งและศักดิ์สิทธิ์มีธีริปาฏิหารที่จะบรรดาลอะไรต่ออะไรให้ผู้สวดนั้นส่วนมากพอแปลออกมาแล้วก็เป็นคำอ้อนวอนเสียแทบทั้งสิิ์ไม่เป็นคำสอนไม่เป็นคำเตือนใจแต่เป็นคำอ้อนวอน ทีนี้ชาวบ้านเราก็ไม่รู้ไม่รู้ความหมายไม่รู้คำแปลใครโฆษณาบทไหนมากก็สวดบทนั้นกันใหญ่เลยก็น่ายใจนะครับน่ายใจก็น่าสงสารเหมือนกันตามหลักพระพุทธศาสนานะครับผลย่อมจะเกิดตามเที่ไม่ใช่ตามที่ใครออนวอด แต่ถ้าอ้อนวอนเอาได้ใครจะพลาดจากสิ่งที่ตนประสงค์เพทุกคนมีสิทธิ์อ้อนวอนด้วยกันแต่เพาเหตุที่อ้อนวอนเอาไม่ได้จึงต้องลงมือทําลงมือจะทําเหตุให้ตรงกับผลที่เราต้องการว่าจะอ้อนวอนสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไปตามที่อ้อนวอน เป็นอย่างนี้เราเสมยโเสียเวลาทำใหม่กับการอ้อนวอนเสียเวลาทำใหม่กับการอ้อนวอนพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนแต่เป็นศาสนาแห่งการกระทาเอาเวลานั้นเอาเวลาที่อ้อนวอนไปทําเหตุให้ตรงกับผลที่เราต้องการโดยการใช้สติปัญญาใช้ความรอบคอบ ใช้ความอดทนจะไม่ดีกว่าหรือคือเวลาที่เสียไปกับการอ่อนวอนกับการนั่งอ่อนวอนวันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนั้นเอาเวลานั้นมาคิดหาเหตุผลในการที่จะแก้ปัญหาหรือต้องการการทำเหตุให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการใช้สติปัญญาใช้ความรอบคอบใช้ความอดทนดีกว่าเยอะเลยดีกว่าเยอะเลย เคยเล่าเคยพูดบ่อยๆเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องนี้ก็นึกขึ้นมาได้แล้วก็ชอบใจกับเรื่องที่คนขับเกวียนเกวียนมาตกหลุมแล้วก็ลงนั่งวอวลๆเทปารักในป่าจนเยน็จนจวนค่ําอ่ำเทพารักทิ้งลงมาแล้วก็บอกว่ามัวนั่งอนวอนอยู่ทําไมใช้ความพยายามของตัวซี่เอาป่าแบก ลอกเวียนข้าวแล้วก็ตีหัวให้เดินเท่านั้นเอาบาแบกลออเวียนข้าวแล้วตีหัวให้เดินเท่านั้นล้อเวียนที่ตกลมมันก็ขึ้นมาได้ทันทีเสียเวลาไปเกือบวันด้วยการออนบอดถ้าใช้ความเพียรใช้ปัญญาใช้เพียงนิดเดียวมันก็ไปถึงบ้านนานแล้วไปถึงบ้านนานแล้ว บางคนก็เสียเวลาอยู่กับเรื่องการออนบอร์ดกับเรื่องการาทำนั่นทำนี่วนเวียนอะไรจู่มันภัยเรือในอ่างจะโชคดีไปได้ผู้รู้แนะนำไปคิ้วไปเลยได้ผู้รู้แนะนำคำสองคำประโยคสองประโยคไปคิวไปเลยเหมือนกับคนขับเกวียนที่ล้อล้อเกวียนล้อเกวียนมันตกลม แล้วก็ไม่ยอมทําอะไรมัวนั่งอ่อนวอนนู่นั้นใช้สติปัญญาจะนหน่อยนะครับก็ใช้ความเพียรเส้นหน่อยกิริยาวาทีกรร ม, มวาทีกรร ม, มวาทีวิริยาวาทีุศา ส, สนาเป็นศาสนาที่ว่าดยเรกรรมวาด้ยเรื่องความเพียรผู้ที่มีนิสัยพึ่งตนเองนะครับ จะไม่นิยมการอ้อนปวดไม่นิยมการที่มีศรัทธาแล้วก็อ้อนปวดนิสัยนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าผู้ประกาศพุทธศาสนาทรงประสงค์จะปลูกฝังให้งอกงามขึ้นในจิตใจของพุทธสาวกตั้งแต่สมัยเริ่มแรกทำกลางศาสนาาสร์และลักที่ทต่าง ซึ่งอุดมไปด้วยการอ้อนวนและฝากตัวไว้กับเทพเจ้าผู้ได้รับความนิยมว่าศักดิ์สิทธิ์้าพูดได้เทพเจ้าเหล่านั้นก็คงจะพูดอยู่อย่างเดียวว่าพวกเจ้าจงเสียสละเพื่อข้าพวกเจ้าต้องช่วยตัวเองและช่วยกันเองจึงจะอยู่รอดได้ ถ้าเผื่อเทพเจ้าเหล่านั้นพูดได้ก็คงจะพูดอย่างเดียวพูดอยู่อย่างเดียวว่าพวกเจ้าจงเสียสละเพื่อข้าแล้วก็พวกเจ้าจงช่วยตัวเองและจงช่วยกันเองกจึงจะอยู่รอดได้แล่วพระพุทธรูปต่างๆที่พุทธศาสนิกไปอ้อนวอนบูชาท่านอ้อนวอนท่านขอนั่นขอนนี้กับท่าน ถ้าเผื่อท่านพูดได้ท่านก็จะพูดว่าพวกเจ้าจงช่วยตัวเองเราตาตาคตรเป็นในเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นท่านคงพูดเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านพูดแต่ว่าท่านคงไม่พูดว่าพวกเจ้าจงเสียสละเพื่อข่าแต่ท่านไม่เอาวันนั้นท่านจะพูดว่าพวกเจ้าจงพึ่งตนและพึ่งธรรมเราตาตาคตรเป็นในเพียงผู้ชี้ทางให้เท่านั้น ทางเราก็ได้ชี้ไว้แล้วได้บอกไว้แล้วทำไมพวกเจ้าทั้งหลายจึงไม่เดินไปมาหมัวอ้อนวอนอะไรค้าอยู่ทำไมพวกเจ้าทั้งหลายจึงไม่เดินไปตามทางที่ข้าชี้บอกไว้ให้แล้วถ้าพระพุทธรูปท่านพูดได้ท่านคงจะต้องพูดอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพูด พระสุตตันตปิฎกทีขานิสกัยปายาสีราชนยสูตรพระเจ้ป า, ารปราิฎกเล่มสินะครับเล่าไว้ว่าพระเจ้าปายาสีสนทนาทำรรเรื่องตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูตรพระเจ้าปายาสีทรงเห็นว่าคนตายแล้วสูตรโลกน้นไม่มีทรงพิสูตรหลายอย่างแต่ผิดวิธพีธ พ, ธพระกุมารกัดศพเห็น อย่างพุทธสาวกเห็นอย่างพุทธสาวกว่าหากยังมีกิเลสอยู่ได้แล้วก็เกิดอีกยกเหตุผลมาหลายอย่างจนพระเจ้าพยาศิยอมจำนนด้วยเหตุผลแต่ไม่ยอมละทิฏฐิทรงอ้างว่าใครๆก็รู้กันหมดแล้วว่าพระองค์เห็นอย่างนั้นจุดเด่นจะเสียหน้านะครับแล้วกุมมาแล้วกัดศพขอให้ทรงละทิฏฐินั้นเสีย เพราะไม่เป็นประโยชน์แก่ใครโดยการอุปมาให้ทรงสะดับสี่เรื่องก็มีอยู่เรื่องหนึ่งว่าชายสองคนเดินทางออกจากบ้านไปที่อื่นได้พบสิ่งขอ ง, งต่างๆมากมายเช่นเชือกป่านได้ผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายเหล็กโลหะดีปุกตะกัวเงินและทองโดยลำดับคนหนึ่งได้เชือกป่านแล้วก็พอใจ เมื่อพบของดีกว่าก็ไม่ยอมทิ้งป่านเพราะถือว่าผูกมัดไว้ดีแล้วถือมานานแล้วส่วนอีกคนหนึ่งเมื่อเห็นสิ่งที่ดีกว่าก็ทิ้งของเก่าถือเอาของใหม่ที่ดีกว่ามีราคามากกว่าเมื่อกลับมาถึงบ้านคนหนึ่งได้แต่ป่านมาไม่เป็นที่ชื่นชมยินดีของบุตรและพันยาส่วนอีกคนได้ทองไปมากเป็นที่ชื่นชมยินดีของบุตรและพัญญา โดยอนี้ขอให้พระเจ้าปายาสิทรงลทิฏฐิที่ไม่ดีเสียสมาทานทิฏฐิคือความดีที่ดีซึ่งเป็นสมาทิท่านผู้ฟังที่เคารพครับเวลาหมดไปแล้วครับวันจันทร์หน้าครับวันวันจันทร์หน้าคุยกันใหม่ในเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับศรัท ธ, ธากับปัญญาสําหรับวันนี้ขอยุดที่ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอความสุขสวัสดีพึงมีแต่ท่านผู้ไปทำรายการ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 เรื่องที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ในตอนนี้เอาเคือเรื่องศรัท ธ, ธากับปัญญาความศุขที่แล้วผมคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องศรัท ธ, ธาในลักษณะการอ้อนวอนแล้วก็ใช้ปัญญาดีกว่าใช้ปัญญาดีกว่าใชา้ศรัทธาในลักษณะอ้อนวอนแล้วก็เล่าถึงเรื่องพระเจ้าปายาสิทที่ท่านคุยกับพระกุมารกัตศก ในเรื่องตายแล้วเกิดตายแล้วศูนย์พระยาปายาสิพระเจ้าปายาสีเป็นผู้ครองนคร น, นะครับเขาไม่ใช่คำว่าราชาชาใช้คำว่าราชัอญยญาพระเจ้าปายาสิเห็นว่าตายแล้วศูนย์พระกุมากรกษัตริย์เห็นว่าตายแล้วถ้ายัางมีกิเลสอยู่ต้องเกิดอีกพระเจ้าปายาสิเห็นว่าโลกหน้าไม่มีคือเกิดมาชาติเดียวแล้วก็ตายแล้วก็แล้วไป เป็นวัตถุนิยมเต็มตัวอันี้ก็พระกุมารลกัดศพก็เห็นว่าถ้ายังมีกิเลสอยู่ต้องตายอีกต้องเกิดอีกชาดหน้าก็มีชาติก่อนก็มีก็คุยกันไปด้วยเหตุผลนาน า, น า, นาประกาศในที่สุดพระเจ้าปายาสีก็ยอมยอมแพ้ยอมแพ้พระกุมารลกัดศพแต่ว่าท่านบอกว่า ท่านยอมแพ้ก็จริงแต่ว่าใครๆก็รู้กันหมดแล้วว่าท่านมีความเห็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ท่านยอมด้วยเหตุผลจำนนด้วยเหตุผลของพระกุมารและกัดศพแต่จะประกาศความเห็นใหม่ท่านทำไม่ได้ท่านสละทิพย์ไม่ได้ใครๆก็รู้กันหมดแล้วกลัวเสียหน้านะครับกลัวเสียหน้าพระกุมารและกัดศพก็ ชักเรื่องมาอุปมาให้ฟังหลายเรื่องในเรื่องหนึ่งก็คือว่าชายสองคนเดินทางไปพบปก อ, อก็เอาปอไปภา พ, พบปา้ปาเปือกปอก็เปลือกพบปานก็เอาผ้าปานไปผ้าเปลือกไม้ก็เอาไปผ้าไฟก็เอาไปเจอเหล็กก็ออกไปเจ อ, อ, อ, อโลหะก็เอาอไปเจอถ้ากั่วเจอเงินอะไรเอาไปหมดแต่ว่าอีกคนหนึ่ง หาเจอสิ่งที่ดีกว่าก็ทิ้งของที่ไม่ดีแล้วก็เอาแต่ทองไปในที่สุดก็คือว่าพอเจอเหล็กเจอเหล็กเอาเหล็กไปพอเจอเงินก็ทิ้งเหล็กเอาเงินไปอย่างเดียวเท่าที่กําลังจะเอาไปได้แต่ว่าพอไปเจอทองเข้าก็ทิ้งเงินเอาทองทั้งหมดเท่าที่กําลังจะเอาไปได้นี้อีกคนหนึ่งก็พายุงพายังไ ป, งไปได้ของสัตว์เพรละเอากลับบ้าน แ่้็ ข, ของไม่มีราคาก็ถูกตีเตียนแต่ว่าคนฉลาดเอาแต่ทองไปแล้วได้ราคาดีได้เยอะได้ทองไปเยอะอย่างอื่นมันมันราคามันน้อยกว่าก็ไม่ต้องเอาก็ได้ก็ไม่จำเป็นทีนี้ก็ท่านก็เปรียบให้ฟังว่า คนฉลาดก็ต้องรู้จักทิ้งรู้จักทิ้งสิ่งที่มันควรจะทิ้งแล้วก็เอาสิ่งที่ดีกว่าไม่ยึดมั่นว่าถือมานานแล้วถือมานานแล้วในท่านลองคิดดูนะครับลองคิดดูว่าในสังคมมนุษย์เราเราได้รับคำสอนให้ยึดถืออะไรอะไรจูเป็นอันมากในลักษณะใกล้กับชายคนที่แบกเชือก แบกเหล็กแบกใ อ, อะไรต่ออะไรรุงหลังด้วยเสียดายว่าแบกมานานแล้วแม้ว่าพบสิ่งที่ดีกว่าในภายหลังกไงงยย็ไม่ยอมละทิ้งสิ่งที่เคยยึดถือมาไม่ยอมละทิ้งสิ่งที่เคยยึดถือมาด้วยรู้สึกว่าเสียดายเสียดายว่าแบกมานานแล้วแวี้ก็ เขาว่าถือไว้ด้วยอุปท า, านรุงแังไปหมดนี่โดยปกตินะครับ เ, เวลาและกำลังความสามารถของคนเรามีอยู่อย่างจำกัดทีนี้เมื่อไปแบกสิ่งที่มีคุณค่าน้อยไว้เสียมากแล้วเราจะเอาเวลาและกำลังที่ไหนไปทำสิ่งที่มีคุณค่ามากคุณค่าสูงจึงเสียเวลาหมดกาลังไปกับสิ่งที่ได้คุณค่าหรือเป็นของที่มีคุณค่ารอง คุณค่าเทียบ ม, มากกว่าคุณค่าแท้และคุณค่าจีง่งมันเป็นต้องต้องพิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการด้วยปัญญาแยบถายว่าเราควรในในเวลาเท่ากันเนี่ยมนุษย์เราก็มีเวลาเท่าๆกันนะครับในเวลาเท่าๆกันเนี่ยเราควรจะเอาอะไรไปควรจะทิ้งอะไรไป พิจารณาดูด้วยปัญญาที่เย็บคายว่าอะไรควรทิ้งอะไรควรจะทุ่มเทกำลังลงไปเพราะว่ามันมีคุณค่า <c oughs> มีคุณค่าในสังคมของเรานี่ก็ยึดถืออะไรกันมากมายคกองเมื่อคืนนี้ผมก็ไปคุยกับพระ ใหม่ที่ปวดที่พันนายพันษาในวัดตัวอ่อนซึ่งส่วนมากก็มีการศึกษาดีมาแล้วนะครับบอกว่าเราจะมีท่าทีอย่างไรต่อสีลพตะปรามาสในหลายๆข้อนะครับมีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าเราจะมีท่าทีอย่างไรต่อสีลพตปรามาสที่มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองอสีลพตปรามาสคือความยึดถือผิดผิดความเชื่อถือผิดผิด แล้วก็ยึดถือผิดผิดแล้วก็ขัดแย้งกับหลักกรรมของพระพุทธเจ้าให้เราจะมีท่าทีอย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้นแล้ ว, วก็วิเคราะห์กันไปวิเคราะห์วิจารณ์กันไปผมลองยกตัวอย่างให้ดูในที่นี้นะครับไม่ใช่ในที่ที่พูดเมื่อวานนี้ในที่นี้ลองยกตัวอย่างให้ดูสักเรื่องหนึ่ง กเรานิยมชาวพุทธไทยนี่นิยมสวดอะไรต่ออะไรกันเยอะแยะสวดคาถาอะไรต่ออะไรกันลองดูก็ได้ลองดูคาถาป้องกันภัยสิทิษ <c oughs> สักอย่างก็ได้ครับซึ่งเป็นภาษาที่เพี้ยนประหลาดไม่รู้ใครเป็นคนแต่งลองอ่านดูสักบทก็ได้ครับมันเป็นภาษาอะไรอ่ผมจะอ่านให้ฟังนะครับ บุรพารัศมิงพระพุทธคุนังบุรพารัศมิงพระธรรมเมตตังบุรพารัศมิงพระสังขานั้นทุกขโกรขพยัง ว, ว, วิวันชัยเจศพทุกสศพโศกสศพโรคสศพภัพพยศพเคาศเนียบ จ, จันไรวิวันชัยเจศพธนังศพละพังพวันตุเมรักขันโตสุรักขันโตอะไรอย่างนั้น แล้ต่อไปก็เป็นอาคเนยรัศมิงธรบูรพารัศมิงแปลว่าทิศทิศตะนอกอาคเนยรัศมิงแล้วก็ทักสินรัศมิงฮาราติลเสมิ ง, าามงปัดชิมรัศมิงเรื่อยไปครับไปถึง อ, อ, อีสานรัศมิงออากาศอากาศรัศมิงอากาศสัปเทวีรัศมิงเปลี่ยนแต่ทิศอเท่านั้นข้อความนอกนั้นก็เหมือนกันหมดทุกตัวทุกตัว <c oughs> ตามนี้ตามนี้ก็พอจับใจความได้นะครับว่าสวดไปสวดมาก็อ้อนบอนขอให้พ้นทุกข์สกขโรคภัยแล้วก็ขอทรัพย์ขอลาภนะสัพพทนังสรรพลาพังพระวันทุเมนะแปลว่าขอทรัพย์ขอลาภจงมีแก่เราซึ่งถ้าท่านพูดกันตรงๆก็คือว่ามีความโลภเป็นเบื้องหน้าหรือเป็นตัวนำ ไม่ใช่สวดเพื่อความสงบเพื่อความหลุดพ้นแต่ประการใดทีนี้ถ้าลองคิดดูว่าถ้าคนเราจะหายทุกโศ ก, กภัยได้และมีทรัพย์มีลาภได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ด้วยการสวดเพียงเท่านี้เราจะมาเราก็มาช่วยกันสวดเถิดมาช่วยกันสวดปัญหาเรื่องโรงพยาบาลไม่พอแพทย์ไม่พอ ปัญหาเรื่องโจรผู้ร้ายและเรื่องเศรษฐกิจต่างๆจะได้หมดสิ้นไปแล้ถ้าทรัพย์พระธนังทรัพย์ทั้งพวงทรัพพระลาพังลาพ์ทั้งพวงมีได้เพราะเหตุอย่างนี้เพราะการไปนั่งสวดอยู่อย่างนี้เราก็มาช่วยกันสวดแล้วก็มันก็จะได้ปัญหาต่างๆจะได้หมดไปแต่ว่ามันไม่หมดอ่ะท่านจะสวดถ้าร้อยปีมันก็ไม่ไม่สามารถจะทําสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้ แล้วภาษาก็เป็นภาษาเพี้ยนไม่รู้ภาษาอะไรไม่รู้ใครเป็นคนแต่งจะเป็นภาษาไทยก็ไม่ใช่ภาษาบาลีก็ไม่ใช่ภาษาอะไรก็ไม่รู้แล้วคนไม่รู้ก็สวดแล้วใครใครที่รู้ทําไมจึงให้เขาทําไมจึงสอนเขาในเรื่องเหล่านี้ <c oughs> แต่ที่นี้ท่านลองนึกอีกมุมหนึ่งนะครับล <c oughs> องนึกอีกมุมหนึ่งว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามใจนึก คงพิลึกสับสนอลมานเพราะมนุษย์ฟุ้งเฟอ้อทะเยอทะยาความต้องการมีมากหากประมวลอันนี้ก็เป็นกรนเป็นกรนที่อาจารย์ทปนีนาครทัพเป็นผู้แถงนะครับผมจำของท่านมาออก็เอามาเอามาว่าให้ฟังก็ท้ำอีกทีก็ได้ครับถ้าทุกอย่างเป็นไปตามใจนกคงพิลึกสับสนอลมาน เพราะมนุษย์ฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานความต้องการมีมากหากประมวลหรือว่าถ้าทุกคนสามารถจะได้ตามที่ใจตัวนึกท่านลองนึกดูว่ามันจะสับสนโรมานสักแค่ไหนเพราะว่าความทะยานอยากของคนเรามันไม่มีที่สิ้นสุดแต่นี่โชคดีที่ว่าเราอยากอะไรแล้วมันไม่ได้มันจะได้ก็ต่อเมื่อเราใช้ความเพียรพยายามให้เหมาะ กับผลที่เราต้องการมันต้องเป็นซับฟิเชียนคอสตต้องเหตุมันเพียงพอเหตุมันเพียงพอปริมาณเหตุต้องเพียงพอแล้วก็เอฟฟิเชียนคอสมันต้องคุณภาพของเหตุนั้นเพียงพอด้วยเหตุต้องมีคุณภาพเพียงพอปริมาณเพียงพอและคุณภาพเพียงพอมันจึงจะได้ผลเพราะฉะนั้น <c oughs> เราจะไม่ได้ตามใจนึกแต่มันได้ตามเหตุที่เพียงพอแปละในสิ่งเดียวกันใครทําเหตุเพียงพอคนนั่นก็ได้ใครทําเหตุไม่เพียงพอคนนั่นก็ไม่ได้นั่นคือความยุติธรรม <c oughs> <c oughs> นั่นคือความยุติธรรมไม่ใช่นึกเอาได้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าท่านจัดเอาไว้เอาไว้ว่า เขาเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสออกไปว่าอแม่จะเนรมิตผูเขาใหญ่ทั้งลูกให้เป็นทองคําก็ไม่พอแก่ความต้องการของคนคนเดียวไม่พอแก่ความต้องการของคนคนเดียวถือว่าวันหนึ่งท่านออกพระวิชาท่านออกบิณฑบาตก็ ไปเห็นการปกครองบ้านเมืองไม่เป็นธรรมแล้วก็เบียดเบียนเองบ้างเบียดเบียนเองบ้างชายให้คนอื่นเบียดเบียนกันบ้างประชาชนก็เดือดร้อนฉันก็นึกว่าถ้าเราเป็นผู้ครองราชาถ้าเราครองราชครองบ้านครองเมืองเขาก็จะไม่เบียดเบียนอีกไม่ยัางผู้อื่นให้เบียดเบียนกัน ก็จะปกคลองแผ่นดินโดยธรรมประชาชนจะไม่เดือดร้อนแต่มันก็เสนอหน้าเลยทีเดียวมันก็มาเสนอนะจริงอย่างนั้นทีเดียวพระโกดมจริงทีเดียวพระโกดมได้บำเพ็ญบารมีมามากแล้วมานานแล้วเพียงแต่น้อมจิตไปเพื่อให้ภูเขาหลวงนี้เป็นทองคำภูเขาหลวงนี้ก็จะเป็นทองคำทั้งหมด พระโคดมมีบารมีที่บำเพ็ญมามากอย่างดีแล้วเวถ้าพระโคดมเป็นกษัตริย์ครองราชแล้วประชาชนจะต้องอยู่เย็นเป็นสุขพระพุทธเจ้าท่านดูอ๋อมาลมาแล้วมาลมาเสนอหน้าแล้วแล้วก็คุยกับมารบอกว่าถ้าถ้าเราจะเนรมิตภูเขาหลวงให้เป็นทองคําทั้งหมดมันจะพอกับความต้องการของคนคนเดียวสรื พอกับความต้องการของคนคนเดียวสิไม่พอไม่พอบางทีว่าคนที่มีอํานาจมากจะไปจับจองภูเขานั้นทั้งลูกเลยใครเอาไม่ได้แทนที่ว่าจะเอาภูเขาทองนั้นมาแจกกันโดยความยุติธรรมมันจะมีคนโลภแล้วก็มีอํานาจามีอํานาจแล้วก็จะจองภูเขาทองนั้นทั้งหมดเลยใครเอาไม่ได้เป็นของข้าคนเดียว พอแก่ความต้องการของคนคนเดียวไหมแต่ความต้องการของคนมันไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามีเกาะทั้งเกาะแล้วก็จะจะจองเกาะอื่นต่อไปอีกไปจะจองเกาะอื่นต่อไปอีกจะมีเกาะรื่นต่อไปอีกทะเลมีทะเลเทลา่าไหรจะเอาทั้งหมดเลยและมีมากมันก็เป็นทุกข์นะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นสุขเสมอไปมีมากมันก็เป็นทุกข์ ก็อปัญหามีปัญหาระหว่างญาติระหว่างพี่น้องระหว่างครอบครัวที่ก็มีปัญหากับเพื่องเพราะมีนั่นแหละเพราะมีทรัพย์สินมากนั่นแหละถ้าเกิดว่ามีไม่มากนักปัญหามก็ไม่มากเท่าไหร่เพราะฉนันก็มีมีน้อยจนถึงกับขาดแคลนก็ไม่ดีมีน้อยจนถึงกับขาดแคลนก็ไม่ดีมีมากจนมากเกินไปจนเป็นปัญหา เป็นปัญหาเรื่องมรตกเรื่องอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ดีมันมีปัญหาสร้างปัญหาเป็นปัญหาแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่อะไรต่ออะไรหลาอย่างก็มีพอประมาณความพอประมาณดีเสมอความพอดีดีเสมอมัตตัญญุตสดาสาธุความพอดีดีเสมอพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้ ว่าบางทีเราก็ยวยจุกให้คนบางครั้งให้คนมั่นค่ะประเทศมั่นคงไม่เป็นไรแต่ว่าประชาชนบางครั้งทุกคนไม่ได้หรอกไม่ต้องกินอยู่ไม่ต้องอยู่ดีกินดีกินอยู่แต่พอดีสบายกว่าเยอะเลยแล้วก็ทีนี้ผมขอต่อไปนะครับ ว่าถ้าสมมติว่าไปเจอภูเขาทองเขาจริงเมื่อมนุษย์ยังมีความโลภอยู่เช่นนี้พวกเขาก็จะแย่งกันแล้วก็ฆ่ากันตายเกือบหมดท่านที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องขุมทองเมกาน่านะนี่มาสามสิบสี่สิบปีมาแล้วแล้วก็ซับวาปปวิดีโอเขามีขุมทองเมกาน่านี่ดีเป็นคติเป็นคติเป็นไปตามลายแทงไป เจอขุมทองภูเขาทองนะ่อแาลนที่ว่าเนี่ยเราไปเจอเขาจริงๆเราฆ่ากันตายหมดเลยเรืออยุไม่กี่ดแล้วก็ให้เจ้าเขาท่า น, นก็บันดาลให้ภูเขามันพังทลายลงมาพังทลายลงมาวิ่งหนีเอาตัวไม่รอดได้ทองกันมาคนละนิดคนละหน่อยนะนั่นเป็นคติเป็นเป็นกติ อันนี้ก็อถ้าจะสวดอันนี้พูดถึงเรื่องสวดต่อไปครับถ้าจะสวดออ่างคนที่ชอบสวยดยอดเท่ากันใจปีดกถ้าเชจะสวดกันยอดเทะกันใจปีดกให้ง่ายไม่ต้องท่องนานไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องลา บ, บากในการจำก็ท่องอสวดหัวใจพระใจปีดกดีกว่าสั้นสั้นสั้นันอนี้นะครับสั้นๆ S <S <an> หัวใจพระวินัยปิฎกก็มีอยห้าตัวอาปามะจูปะอันนี้เกี่ยวกับคำภีร์พระวินัยแล้วก็หัวใจพระสุตันตปิฎกก็มีอยห้าตัวเหมือนกันทีมะสังอังคุให้เกี่ยวกับคำภีรพระสุตพระสุตันตปิฎกก็หัวใจพระพิธรรมปิฎกก็มีเจ็ดตัวสังวิธาปุกายะปะให้เกี่ยวกับคำภีรพระพิธรรมแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมใชหน่อยว่าคําไหนไหมายถึงอะไร แต่๋ยจะไม่กล่าวจะไม่พูดถึงรายละเอียดนะครับในที่นี้ก็จะมากเรกิงไปนีนถ้าใครจะเรียกว่าสิบเจ็ดคำเนี่ยเป็นยอดพระกันพ้าใจผิดกก็น่าจะอนุโมทนาได้ที น, นี้ถ้าใครอยากจะสวดนานสวดมากก็กลับไปกลับมาสวดสักร้อยเที่ยวพันเที่ยวก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าสวดเพื่อให้ใจเป็นสมาธิจะสวดอะไรก็ได้ที่มีพยัญชนะและเนื้อความไม่วิบัติ อันนี้ถ้าสวดเพื่อกรังเพื่อสักสิทธ์เพื่อขอทรัพเพื่อขอลาบก็ไม่ใช่แนวทางของพุทธศาสนาท่านผู้ฟังที่เคารพครับเวลาหมดแล้วครับสำหรับวันนี้พรุ่งนี้คุยกันใหม่ครับในเรื่องธรรมนองนี้สัท ธ, ธากับปัญญาใช้ปัญญาดีกว่าศรัท ธ, ธาในการออนโบท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 พยายน 2,542 นะครับเรื่องที่กําลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ในช่วงนี้ก็คือเรื่องศรัทธากับปัญญาแล้วก็มีปัญญาดีกว่าศรัทธาในการอ้อนวอนใช้ปัญญาดีกว่าใช้ศรัทธาในลักษณะของการอ้อนวอน ได้พูดกับท่านผู้ฟังมาในหัวข้อย่อยนี่สงครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็จะ เ, เมื่อวานนี้วันนี้ <c oughs> เมื่อวานนี้พูดเรื่องคาถาต่างๆที่นิยมสวดกันก็มาจบลงที่คาถายอดพระกันได้พิทุ ก็บอกว่าถ้าจะเอาวัวใจของพระไตรปิฎกจริงๆก็แค่สิบเจ็ดตัวก็พอแล้วเราไม่ต้องท่องมากให้ปวดหัวมันอย่างที่ท่องกันอยู่เวลานี้ซึ่งก็รู้เรื่องบางไม่รู้เรื่องบาง <c oughs> ก็ไม่เป็นไปเพื่อการเจริญปัญญาก็ไม่ได้ปัญญา แตดีถ้าเผื่อไม่ได้ปัญญาก็แก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้มีปัญหาชีวิตอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวิ่งรูปไปหาหมอดูบ้างรถน้ำมนต์บ้างดูอะไรต่ออะไรอิปาถาที่อยากจะดูแล้วก็ไม่ได้ดูให้พกเหตผล เทวจะเป็นตัวนำมาแก้ปัญหานี่ก็ก็เขาพูดต่อไปว่าพระคาถาต่างๆที่สวดร้องท่องบนกันอยู่นั้น แ, แม้จะมีพยัญชนะที่ถูกต้องแปลได้ความดีแต่งได้ไปเราะตัวอย่างเช่นคาถาชินบัญชร คนนี้แล้วกว่าถูกต้องพ ย, ยัญชนะถูกต้องแปลได้ความดี <c oughs> แ, แต่งได้ไพเราะ <c oughs> แต่งที่เชียงใหม่ <c oughs> แต่งที่เชียงใหม่แล้วก็ไปลังกา <c oughs> แล้วก็กลับมาประเทศไทย <c oughs> กลับมากรุงเทพกษัตริชินบัญชรเนี่ยแต่งที่เชียงใหม่ <c oughs> แล้วก็ไปลังกาแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพสมเด็จ พุทธาจารย์โตพรมมลังศีเป็นคนนำมาเผยแพร่ทีหนึ่งประกอบกับพระของท่านใครใครก็นิยมว่าใครๆก็นิย ม, รยมพระของท่านก็เลยนิยมพลอยนิยมคาถาชินบัญชรไปด้วยนั้นถูกต้องแปลได้ความดีแต่งได้ไพเราะ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 จะเป็นไปได้หรือไม่ในผมได้พูดไว้บางแล้วนะครับในเรื่องก่อนๆ ก, ก็จะไม่ขอพูดซ้ำในที่นี้ละ